พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าศีลและธรรมเป็นของคู่กันวันนี้เป็นวันที่สม สิงหาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8เข้าพรรษามาเป็นเวลา15วันวันนี้เป็นปักแรกหรือว่าเป็นอุโบสถแรกที่พวกเราได้รวมกันลงอุโบสถ แต่วันนี้อพระในวัดของเรากับ4 6อี่์กงก็มีพระที่มาร่วมอุโบสถอีก3เป็น49พระอุโบสถ49องค์วันนี้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองเป็นพระที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นประธานเป็น ผู้นําเป็นครูบาอาจารย์ของพระน้องๆลูกห ล, ลา น, ลานทุกองค์หลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าวแนะนําลูกหลานไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าที่พวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าว่าพวกเราออกจากออกโนออกนก อ, อ ก, นอกลูกนอกธรรมออกจากหลักพระธรรมวินัยแล้วมันจะไม่มีจุดยืนนะคว้าุย เกว้งคว้าว้าเว่นะอะมันจะเป็นที่ตำเหนะ็จในใจของตนเองตัวเองทำได้ยุ่เป็นความคิดของตนเองแต่ว่าส่วนลึกๆแล้วอมันยอมรับไม่ได้เพราะไม่ใช่หลักๆประทำพิไนนเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเป็นเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้า เราจะไปทะลึง่งหรือเราไปบ่อยตรงนั้นก็ไม่จําเป็นตรงนี้นก็ไม่สําคัญซิกขาบทนั้นไม่สําคัญซิกขาบทที่ไม่จําเป็นเราจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะท่านบัญญัติมาแล้วความจริงจังหรือความจริงเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นในเมื่อท่านบัญญัติมาแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในกฎกติกานี้เข้ามาอยู่ในกฎหลักพระธรรมวินัยนี้ พวกเราก็ควรจะน้อมรับและปฏิบัติตามทุกศิกขาบทวินัยในเรื่องนั้นๆไม่ควรจะมองขา้ามไม่ควรจะกั้มเกินไม่ควรจะทะลึ่งบทง่ายๆไม่ควรจะดื้อด้านไม่ควรจะไม่มีฮิริโอตปาอะดิจัตระไม่มี ความยากอายไม่มีอดทีหรืออดตะปะพระอรัชชีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระนครอให้พวกพระลูกพระหลานน้องนุง่งทั้งหลายนะที่จะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรองยึดหลักพระธรรมวินยัยให้แน่วแน่ให้มั่นคงเสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นหลักพระธรรมวินัยแล้วให้ศึกษาแล้วให้รู้รู้แล้วนะ อย่าร่วงเกินในหลักพระธรรมวินัยนั้นอย่างที่การขุดดินทางป่าก็ดีทั้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่มันไม่ใช่ไม่ถูกแต่ถือยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังยกตัวอย่างให้เห็นว่าภิกษุองค์หนึ่ง ไปกับเรือเดินเรือไม่ใช่เดินเรือไปกับเรือพายเรือไปไปเรือมันจะล่มมันคงจะกระแทกแล้วมันเอียงเรือพายมันก็ธรรมดาแหละเอียงซ้ายเอียงขวามันอยู่เรืออยู่ในน้ําพอเรือจะล่มก็ไปคว้าในใบใบไม้ตะไคร พอเดืคว้าใบตะไคร่มาใบรูดใบตะไคร่เพราะมันเหลื่อมเข้าไปใช่ไหมตัวเองกักบที่ว่าจะกลับจับกิ่งต้นตะไคร่มันเป็นรูดใบมันใบมันขาดเต็มกํา ม, มือจากนั้นคนในใจก็วเราจะแสดงอาบัตพอเราไม่มีเจตนาแต่ว่าที่ยังไงเราก็รูดใบไม้ใบตะไคร่นี่ยเต็มกํา ม, มือของเราใบขาดมาแล้วนะเราจะแสดงอาบัต สมัยนั้นพระภิกษุท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่อายุยืนถึงสองหมื่นปีในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะจากนั้นท่านก็ไปอยู่ตามลำพังไม่มีพระสงฆ์ที่จะมาแสดงสัพปปตาอาบัติออกจากตัวเองไม่ได้แสดงอาบัติไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ในการ แต่มันก็คล้องอยู่ในจิตใจพอเราเดือดรูดใบใบไม้ตะไคร่น้ําออก่อนที่ท่านจะตายก่อนที่ท่านจะมรณะภาพลงไปก็เหมือนใบไม้ตะไคร่เนี่ยมันมาพันที่คอของท่านอาท่านก็ระ ล, ลึกได้โอ้ตายเราจังไม่ได้แสดงอาบัตเลยที่เราจับรูดใบไม้ตะไคร้ข่าวนั้นนั่นแหะท่านก็เลยใจขาดพอใจขาดไปท่านก็เลย เพราะตาบัตมันอยู่คล่องอยู่ในใจกระทาให้ทั้นไปเกิดเป็นพญานาคอยู่ในพื้นบาดาลอยู่ถึงหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีจนมาในศาสนาของพระพุทธเจา้าเนี่ยท่านก็ได้พระพองค์ก็ได้ยกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายขนาดเพียงซิก ข, ขาบทติดหน่อ ย, อยเท่านั้นเอง ก็ยังเป็นบาปอคุศลนในใจในจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าลึกชาดกหรือนิทานเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะให้พวกเราไปอ่านไปศึกษาในพระตไตรปิฎกในธรรมพระพุทธกถานะเนี่ยที่ผมได้อ่านผมได้ฟังดูแล้วก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันก่อนที่เราจะตายแล้วใจจะขาด สิ่งที่เราทําสิ่งที่มันไม่ดีมันจะมาะก่อกวนมาทําให้จิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองในจุดนั้นเราถ้าเรามั่นใจว่าเราตัดกิเลสขาดแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องระวังระวางทุกอย่างศีลและวินยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพร ะ, ะทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเนี่ยนะ น้องหนุ่งลูกหลานของหลวงพ่อให้ระมัดระวังเรื่องสินและวินัยอย่าไปเรื่องเงินและทองเน่ยอย่าไปจับโดยเด็ดขาดพอพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราไม่ควรจะให้มีเงินอยู่ในกระเป๋าหรือเงินอยู่ในย่ามหรือเงินอยู่ในตัวของเราทั้งว่าเรามีอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นมลทินทางด้านจิตใจพ่อแม่ครูบายจารขององค์องค์หลวงตาเนี่ยท่านถือมาก ในเรื่องอย่างนี้ผมอยู่กับท่านเป็นเวลายาวนานหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันแลนะท่านพิถีพิถันเพราะฉนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายนะผู้ทั้งนี้ให้ฟังกับเพื่อแนะนําสั่งสอนอยากจะให้พวกพระลูกพระหลานเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าเจ้าว่าเดินตามหลวงพ่อก็อไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําสั่งสอน แต่ถ้าว่าหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วพวกเดินพวกเราไม่เดินตามแปลว่าเดินเดินแวกแนวถึงจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็เถอะแวกแนวไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่ดีไม่มีคิริโอดตปะอรชีเป็นพระที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยคนนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายนะให้ทั้งอกทังใจอยู่ใน ศีลและวินยัยถ้าว่าเรามีศีลมีวินัยดีแล้วเราภาวนาถึงจะบางครั้งจิตใจของเราถอยออถอยทัพแต่ถึงยังไงเราก็ยังมีศีลเป็นเครื่องเป็นรั้วกั้นไว้อยู่เราก็ยังมีความสบายอบอุ่นขึ้นมาเราเป็นผู้มีศีลจากนั้นพอเราตั้งหลักได้เราก็สู้ต่ออีกออหลายครั้งต่อหลายหนเราเอาชนะ ความรู้สึกนึกคิดคือกิเลสภายในใจของเราได้ไม่วันใดควันหนึ่งเพราะเราเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลเพราะาพระของเรานี่ยก็คือศีล น, นี่แหละเป็นรั้ว ก, กันศีล ส, สมาธิปัญญาแ ต, สต่สำหรับศรัทธาญาติโยมเขาท่านเน้นเรื่องทานศีลภาวนาแต่พระของเรานี่เรื่องทานเนี่ยท่านตัดออกไปมิจะเรื่องศีลกับสมาธิและปัญญา เพราะนั้นเรื่องศีลและวินยัยขอให้พวกพาลูกพาหลานทั้งหลายใส่ใจสนใจอย่ากล้ำเกิน เ, เพราะว่าหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็รักษาศีลมาเป็นระยะยาวนานศีลส2 7ิ น, 7. นี้ให้พวกเรารักษา ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดารณของพวกท่านทั้งหลายธรรมและวินัยเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลาย เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มอบปกความไว้วางใจและไม่ได้มอบศาสตราะเป็นผู้มอบความใหญ่ให้กับพระ อ, องค์ใดองค์หนึ่งทั้งที่สมัยนั้นก็มีพระอรหรันตศาวกุลสิทธิ์พระพุทธเจ้าก็มีตั้งมากเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วมอบให้อานนท์นะที่เป็นน้องชายของเราเป็นศาสดาแทนเราตถาคต เนี่ยแหะมีอะไรเราประสิทธิ์ประสานให้อานนทั้งหมดแล้วท่านอานน์ก็มีมีอายุถึง80ดสิปีเท่าเ ท, าทากับพระพุทธเจ้าเรามอบให้อานน์นี่นะเป็นศาสตราแทนเราสถาคตให้พวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังอานน์นะในเมื่อพระอานน์จะไปได้ผ่านก็สั่งอีกเออเอาต่อไป เ, อเรามอบให้องค์นี้นะ เ, เป็นอ ตัวแทนของศัสดาที่พระองค์มอบให้กับเราเราก็มอบแทนให้องค์นี้ต่อไปในพุทธศาสน า, าในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้มีท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพันท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าธรรมและวิไนนั่นแหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะอันนี้ก็คือธรรมวิไนก็คืออะไรก็คือศิน อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสิน227ีข้อนะนะั่นน่ะให้พวกเราศึกษาให้ศึกษาดูให้ดีเรื่องวินยัยเหมือนกับกฎหมายนะนะั่นน่ะกฎหมายของพระพุทธเจ้ากฎหมา ย, ยาคือชาวโลกก็มีกฎหมายแต่ละประเทศแต่หลักพระธรรมวินัยก็คือกฎกฎติกาของพระพุทธทเจ้าแต่บางศึกขาบทกัภิกูุห้ามพิสูจับเงินและทอง ถ้าพิกษุจับเงินและทองพิกษุเก็บเองก็ดลให้ผู้อื่นเก็บพอดีซึ่งเงินและทองต้องนิจจคียปาจิตตีแต่ต้นนี้ยังมีสิกขาบทซ้อนขึ้นมาอีกถ้าใครใครนำทรัพมาเพื่อเป็นค่าจีวรถามพิกษุว่าใครเป็นวัยาวัจกรของท่านให้พิกษุแสดงเมื่อเมื่อพิกษุต้องการจีวรพึ่งแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่า ออุบาสกคือโยมผู้ชายอยู่ในนั้นอ่ะาอุบาสกว่านี้คือเป็นวยาพจกรของพิกษุทั้งหลายขั้นเขามอบหมายเงินให้กับวยาพจกรนั้นแล้วแล้วกับโยมนั้นแล้วเจ้าของเงินเขากขมาบอกกับพระว่าผมได้ฝากเงินไว้กับวยาพจกรของพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วจำนวนเท่านี้ถ้าว่าท่านต้องการจีวร เพิ่งเข้าไปหาเขาว่าต้องการจีวรแล้วจะให้เขาจะได้จัดการเอาทุนที่ผมฝากไว้เนี่ยไปซื้อจีวรมาถวายท่านอันนี้ใครๆกับว่าพระกองค์ก็ยังไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าท่านตัดทีเดียวไม่ใช่ท่านยังให้มีการยืดหยุ่นว่าถ้าใครๆนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามทศว่าใครรเป็นวัยยาววัจกรของเธอของท่าน ภิกษุพึ่งแสดงคนวัดลุบาสุว่าผู้นั้นเป็นวิยาวจักรของภิกษุทั้งหลายขันเขามอบหมายไว้กับวิยาวัจกรแล้วกลับมาสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรครึ่งไปหาเขานะผมได้มอบปัจจัยไว้กับคนคนนั้นแล้วออนนี้ถ้าหาว่าเราจะว่าผิดไหมภิกษุเก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเก็บก็ดีซึ่งทองและเงินเนีอย แต่มันมีสิ่งคาบทซ้อนกันอยู่เพราะนั้นสิ่งคำบทวินัยของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษ า, าตั้งศึกษาว่าจุดหมายจุดประสงค์นั้นคืออะไรนะแต่นี้ท่านก็บอกต่อไปอีกว่าถ้าภิกษุองค์นี้ต้องการจีวรเข้าไปหาพระเข้าไปหาโยมคนนั้นแหะอาตมาต้องการจีวรแต่ถ้าวายโอมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนไม่ซื่อตรง เอาเงินของพระไปใช้มันมีทุกยุคทุกสมัยนะอันนี้ท่านพูดไว้เลยเ น, น, นีเออ่ยพี่นายเข้าไปหาเขาไปบอกว่าอาตมาต้องการจีบอลแต่เขาคนนิ่งเพราะเขาเอาเงินไปใช้แล้วนไม่ได้ไม่ได้เอามาแต่เขาเอามาให้แล้วก็ดีเขาเอามาให้แล้วก็แปลว่าเป็นคนซื่อสัตย์เขาไป ต, ต้องการจีวรตรงนั้นแบบนั้น น, นนะเขาก็มาให้ก็หมดไป แต่ถ้าว่าเขาคนนั้นไม่ได้เอาจีวรมาให้อย่างที่เราต้องการไปพูดให้เขาครั้งหนึ่งเขาเงียบไปอีกครั้งที่สองอาตมาต้องการจีวรไปเอาให้อาตมาด้วยเขาก็เงียบเพราะเขาเงินไปใช้แล้วอย่างว่าพอไปครั้งที่สามเขาก็งเงียบพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าไม่ให้ไปไปเป็นครั้งที่สี่นะฟังเอาไว้เถอะถ้าหาว่าเราไปเป็นครั้งที่สี่อาตมา ต, ต้องการจีวรอย่างเนี้ยแล้วไปถกเถียงเขาล่ะถ้าได้จีวรมาก็ต้องเป็นนิจกิยปาปายจิติเป็นอาบัติออกเพราะว่าได้ได้ของมาได้ของใครเขาว่าไปบีบบังคับเขาจนเกินไปนะแต่ถ้าไม่ได้จีวรไปบอกให้เขาถึงสามครั้งแล้วทำยังไง ไปยืนต่อหน้าเขาสี่ครั้งให้ข้าว่าพอไปแต่ไปบอกเขาละสามครั้งไม่ได้ไปยืนต่อหน้าเขาบัดไปจืนไปยืนต่อหน้าเขารู้ว่าไปยืนต่อหน้าเขาแต่ไม่ไม่ทวงนะก็อาตมา ต, ต้องการจีวรนะเงินของที่เขาฝากไว้นั่นะไปยืนต่อหน้าเขาได้เป็นสี่ครั้งถ้าไม่ได้จีวรอย่างที่ถ้าไปยืนให้เกินห้าครั้ง ได้มาต้องนิจจกีจะปาจีตีอกีกเป็นอ ბ ัติอกีกถ้าไปยืนทั้งสี่ครั้งแล้วไม่ได้กีวอนนะแปลว่าไม่ให้ไปยืนต่ออีกนะทวงไม่ต้องพูดละเ อ, อ่ยืนเลยืนได้สครั้งเท่านั้นล่ะต้องกลับไปบอกเจ้าของเดิมเขานะไปไปจะบอกเจ้าของเงินที่โยมถวายปัจจัยไว้ฝากไว้กับโยมเขาหนะนะักอ่ะอ่ะอาจจะมาไปทวงไปถามแนละ้วเขา เขาไม่ได้ให้อัตมานะให้โยมไปทวงเงินคืนซะนะคือปฏิบัติชอบเป็นสามีจิกรรมคือคือปฏิบัติชอบในเรื่องนี้นะจากนั้นเขาจะไปทวงแล้วไม่ผิดไปทวงก็สุดแท้แต่เราไปบอกเจ้าของเงินเขาแล้วว่าไปทวงเงินคืนเสียนะอัตมาไปบอกเขาแล้ ว, วเขาไม่ได้ให้อัตมาอย่างที่โยมประวรณาไว้ แต่ถ้าว่าเราไม่ไปบอกกับโยมคนที่เขาถวายปรับอบัติทุกกฎเป็นอบัติทุกกฎแปลว่าเอาเงินเงินเขาเขาให้เสียหายเปล่าประโยชน์แล้วก็เฉยเฉยเมยไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวไปแจ้งเจ้าของเงินเขานี่มันมีหลายแนวนะเรื่องพินัยของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือกฎกฎติกาสําหรับให้พระสงฆ์ทั้งหลาย การวางตัวอย่างไง้าทํามันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าพวกเราศึกษาในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าอเออพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระสง์ในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าวางวินยัยเพื่อดูแลสงปกครองสง์ท่านดูแลอย่างไรเพราะนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วทำและวินัยนั่นแหละ จะเป็นศาสตราของพวกเธอพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกพระเราทุกทุกองนะที่บวชเข้ามาแล้วมาในศาสนาของพุทธไม่ใช่ บ, บวชมาเป็นศาสนาของหลว ง, งพ่ออินหรือศาสนาของหลวงปู่มั่นไม่ใช่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ว, วางศ า, นาสานาไว้อย่างไรเรื่องพระธรรมเรื่องวิ น, นัยเรื่องวิ น, นัยจะไหม ครั้งพุทธกาลก่อนที่จะมีวินัยขึ้นมาเป็นอย่างไรคือพระพิกษุก็ทําความผิดนะเมื่อทําความผิดแล้วนะพระองค์ก็บัญหยัิวิเนยพอวันหยัิวิเนย์หลายขึ้นมาแล้วพระองค์ก็นวันเดือนสามเพนพระองค์เรียกไปชมสงฆ์พระ พ, พันสรนะ้อยห้ารูปมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะพอมาพร้อมกันพระองค์ก็ สวดตัวหให้โอวาทปฏิโมกคล้ายๆว่าจะบัญญัติวินัยแล้วนะที่นี่นะให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมได้สอนสวดหรือกว่าประกาศสมัยนั้นไม่ได้สวดอย่างพวกเราสวดด้ว น, นะคล้ายๆว่าบอกอย่างหลวงพ่อบอกอย่างนี้ล่ะสิกขาบททีหนึ่งเป็นอย่างนี้นะสิกข์ขทถีสองเป็นอย่างนี้นะสิ ก, สกเป็นทีสามเป็นนี้นะอะคล้ายๆ่บอกเป็นข้อๆไปพระสงฆ์ทลายกับ ทบทวนแล้วก็ท่องอสาธยายให้เขาจำจดจำมาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านวางสิกขาบทที่หนึ่งคือกฎหมายมาตราที่หนึ่งมาตราที่สอง อ, อย่างนี้แหละมาตราที่สามเรื่องทวิเรื่องปีกย่อยเอาไว้ก่อนในเมื่อเราท่องได้หัวข้อแล้วจะนี้สิกขาบทปีกย่อยอเจตนาอย่างนี้ไม่เจตนาอย่างนี้อันนั้นจะค่อยว่ากันอีกน ะ, ะมีปีกย่อยอีก อีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่หัวข้ออย่างเดียวไม่ใช่เราศึกษาดูในวินยัยมีปีกย่อยอีกนี่แหละเมื่อเมื่อพระองค์บัญญัติวินัยแล้วนะพระสงฆ์ก็จดจำพระองค์ก็สวดอยู่หลายครั้งหลายคราวนานที่มาเท่าไหร่ท่านก็ไม่ได้บอกในพระไตรปิฎกนะแต่เรื่องที่พระองค์จะหยุด สวดพระปฏิโมกแล้วให้องวาทปฏิโมกแนะนําปฏิโมกข์ก็น่าคิดอีกเหมือนกันวันหนึ่งพระองค์พอถึงวันอุโบสถอย่างนี้แหละพระสงฆ์ก็มาพร้อมกันแต่คงจะเป็นกลางกลางคืนนะคงจะใกล้ค่ำลงโมสถตอนตอนย่ําค่ำพอเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็มาพร้อมกันเป็นพระเป็นหลายร้อยเป็นสี่ห้าร้อเป็นพันท่านก็ไม่ได้กก ท่านก็ม่ได้บอกไว้เนี่ยพระในวันนั้นนะแต่ว่าพระมามากอยู่ในศาลามีฝาผนังลักษณะเป็นลักษณะโบสถ์มั้งแต่หลังใหญ่พระองค์เป็นประธานพระพุทธเจ้าเป็นประธานเหมือนทุกครั้งพอพระสงฆ์มาพร้อมแล้วแสดงอาบัติแล้วแล้วเข้ามานั่งประจําที่แต่นี้นพระ อ, อนุนพอประจําที่เสร็จแล้วพระองค์ก็นั่ง ในอาชนะในถ้ำกลางส่งพอนั่งเน่งเพระองค์ไม่ตัดอะไรเลยวันนั้นผิดปกตินะปฐมมัยามคือตอนหัวคำ่ำปฐมมยามคือตั้งแต่หัวค่ตั้งแต่มืดจนไปถึงสามสีทุ่มเนเลยปฐมมัยามเมื่อปฐมมัยามผ่านไปแล้วพระ อ, อ, อ, องค์พระอานนท์พระพุทธองค์คงจะคอยใครเนอะหรือว่า พระสงฆ์มายังไม่พร้อมหรือว่าพระองค์มีเรื่องอะไรที่จะต้องคอยอีกหรือเปล่าเนี่ยพระสงฆ์มาพร้อมหมดแล้วเนี่ยพระอนุ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าวะพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วพร้อมที่จะลงอุโบสถแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะจะบอกพระอนนท่านก็นิ่งเงียบนิ่งชย เหมือนกับพระโสตาท่านไม่ได้ยินลักษณะอย่างนั้นแหะคือหูท่านไม่ได้ยินลักษณะนั้น ท, ทิ้งททีพระอานุน์ก็กราบทูลท่านพอถึงสี่ทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองตีสามทิ้งเที่ยงคืนผ่านไปแล้วพระอานุน์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะขณะนี้เป็นปัจฉิมยาม เเวลาเที่ยงคืนแล้วพระสงฆ์พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่จะลงอุโบสถในวันนี้พระพุทธองค์ก็ชอยไม่ได้ยินอีกจนถึงตีสามตีสี่ไปละจวนจะสว่างพระอนุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพ ร, พระพุทธเจ้าค่ะพระสงฆ์พร้อมแล้วขอพระองค์โปรดแสดงไฮโอวาทปฏิโมก ด้วยเทินพระพุทธเจ้าข่านะพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนอานนดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายที่มานั่งลงอุโบสถในขณะนี้มีพระสงฆ์องค์หนึ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในสิทธิ์มีอยู่เพราะนั่นเราจะถาคดจะแสดงลงอุโบสถในพระสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เพราะเราจะถาคดรู้อยู่ว่าองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเอาพระองค์นั้นออกก่อน แต่เนี้ก็ประกาศาคือมีทั้งภาษาริบุตรทั้งพระโมกขาสรสักัตปาอานอนท์พร้อมอยู่ในนั้นแล้วก็ปเอาพระสงฆ์ทั้งหลายองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลในวันนี้ให้ออกไปพระองค์นั้นก็เนี่งเงียบไม่ออกไป เ, เพราะมันจะออกไดไปมันขายหน้าตัวเองใช่ไหมแต่ได้ประกาศทั้งสองสามครั้ง พระสงฆ์ในนั้นไม่มีองค์ใดขยับพระ อ, องค์ก็ไม่ลงไม่แสดงโอวาทปฏติโมกจากนั้นพระโมกคราที่ท่านมีฤทธิ์ที่รับจกจ้องว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีเป็นผู้แสดงฤทธิ์ได้ท่านก็เข้าชานทันทีเลยเข้าเข้าเลดา้าเข้าเข้าเครื่องเลดารตรวจตรวจความวิสุทธิ์ของพระ ความบริสุทธิ์ไม่ที่ว่าพระองค์คัดข้องกับองค์ไหนที่ไม่มีสินนั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อพระโมกคราเข้าฌานสมาบัติเท่านั้นเข้าฌานตรวจ ด, ดูเหมือนกับใช้เครื่องเรดาร์ตัวทานทุ่นระเบิดรักษายอย่างนั้นแหะตัวตรวจไปก็ไปเจอพระองค์นั้นเข้าไปพระองค์นั้นพระโมกคราก็ไปดึงลากแขนออกไปลุกท่าน ท่านน่ะไม่ไม่บริสุทธิ์ในศินไปออกไปลักดึงลากขึ้นไปก็ไปออกผลเขตประตูธรณีประตูก็ปิดประตู อ, องค์ให้ไล่องค์นั้นออกไปแต่นั้นพระ อ, องค์ก็เลยลงอุโบสถก่อนที่ลงอุโบสถท่านก็นบอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระที่ไม่บริสุทธิ์ในศินจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ พะนั้นเราตถาคตจะลงอุโบสถกับพระที่ไม่มีศีลไม่ได้พะนั้นต่อไปนี้ตถาคตจะไม่ลงอุโบสถให้พวกเธอทั้งหลายถึงวันและเวลาก็ให้พวกท่านทั้งหลายลงอุโบสถตามกาลและเวลาเราตถาคตจะหยุดในการแสดงพระปฏิโมกให้อวารปฏิโมกแสดงพระปฏิโมกตั้งแต่บัดนี้นะ นี่แหละสรุปแล้วก็คือไม่ว่าพระในยุคนั้นสมัยนี้คําว่าไม่บริสุทธิ์ในศีลเนี่ยมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยคือกิเลสตัวนี้นะ่ะเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาถึงยุคนี้สมัยนี้อย่าไปถือของแปลกพระที่ไม่มีศีลมันมีอยู่ขนาดตอนหน้าพระพุทธเจ้าก็ยังมีฮแต่ถ้าว่าพระโมกคาลาท่านไม่ไม่มียานาราชน์นี่ใครจะไปรู้กันล่ะ เพราะนั้นขนาดพระในครั้งพุทธกาลยังมีที่พุทธองค์ยังไม่ลงอุโบสถไม่แสดงพระปฏิโมกข์ไม่ไหวโอวาทปฏิโมกข์ในวันนั้นนี่แหละอันนี้คือคือมาในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายอย่าไปถือว่าของเล็กน้อยนะเรื่องศีลและวินัยศีลและวินัยของพระพุทธเจ้า มันเป็นรั้วกัน้นมันเป็นเรื่องทําให้จิตใจของเราเศร้าหมององค์หลวงปู่มั่นท่านจึงบอกว่าพระลูกพระหลานทั้งหลายให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะให้แร่งในหลักพระธรรมวินัยนะถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วดีแล้วการภาวนาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบจิตใจก็จะเป็นสมาธิได้ถ้ามีศีลแลสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ถ้าว่าศีลของเราเศร้ามองเปิดพระที่ไม่มีศีลเวลาสมาธิเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ยากป้วยหลายเพราะว่าเป็นผู้ทุศีลเพราะนั้นบางคนก็บอกว่าขอให้มีธรรมใช่อย่างเรื่องศีลไม่จําเป็นอันนั้นแปลว่าพูดข้ามขั้นไปขนาดศีลห ย, ยาบๆก็ยังรักษาไม่ได้จะมีธรรมในด้านจิตใจได้อย่างไร คนที่มีมีสินก็ต้องมีธรรมคนมีธรรมก็ต้องมีสินสินและธรรมมันของคุ้มครองกันคนมีธรรมก็ต้องรู้คุณค่าของสินถ้าคนมีสินใน จ, ใจิตใจก็เป็นผู้ดำเนินในธรรมนั่นแหละสินและธรร ม, มเป็นของคู่กันเหมือนกับเปลือกไม้กับกะพี้อย่างนั้นแหละถ้าว่าต้นไม้นะเอาแกนมันออกเอาพีมันออกมันเหลือแต่เปลือกมันจะอยู่ได้หรออยู่ไม่ได้ ถาเาเปลืกมันออกกับผีมันจะอยู่ได้หรือก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันมันศีลและทำเนี่ยเป็นของคู่กันอย่างนั้นนะพระลูกพระหลานเพราะนกรอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอย่ามองข้ามเรื่องศีลและวินยัยให้รักษาศีลถ้ารู้แล้วอันไหนมันผิดอย่าทำอย่าไปฉันอย่าไปทําที่มันผิดวินยัยถ้าทําแล้วทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วจะมองไม่เห็นสัจธรรม มีแต่กี่เด็ดราคะโทสะโมหะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นเรื่องศินและวินัยให้พวกเราให้รักษาในเมื่อของเราศินดีแล้วเราภาวนาเราก็ไม่วิตกกังวลไม่นึกย้อนหลังข้าวไปเจ้าไม่ได้ทําผิดศินไม่ได้ทําผิดวินยัยจากนั้นเราภาวนาจิตใจของเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบได้จากนั้นเดินวิปัสสนา สมัทฐคือทำจิตใจให้สงบวิปัสนาคือกันกรองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่มีแต่สมาธิอย่างเดียวก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสมาธิก็คือขาซ้ายปัญญาก็คือขาขวาแต่ปุบ ป, ปับกอไปเดินปัญญาเลยตัวที่ไม่มีสมาธิมันก็มีแต่ขาขวาเดินขาเดียวเขยื้อเขยักไปก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาขา ขวาแล้วก็ขาซ้ายเป็นขายังเอาไว้ในเมื่อมีขาซ้ายแล้วก็ขาขวาเดินคห้ายามาเป็นของคู่กันส ม, มถะและวิปัจฉนาเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะให้ศึกษาส ม, มถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัจฉนาคือการกลองไตรตรองหาเหตุและผลวิปัจฉนาคือพิจารณาเรื่องอากายใจของเรามันติดอะไร มันคล้องเรื่องอะไรมันทําอะไรทําให้จิตใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเนี่เพื่อเรื่องอะไรเรื่องลาบเรื่องยศเสื่องสารเสร้นเรื่องหมูเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรตัวเีื่อไรมันออกไปจากกายทั้งหมดกายอันนี้อีกสักวันหนึ่งก็จะต้องเผาไฟทิ้งนะใจนะนมันเกิดย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราพิจารณากายมันมาใจในกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้ จากนั้นทำคำสอนของพุท ธ, ธะที่จะปล่อยวางที่จะได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ดีที่จะได้เป็นพระหานก็ดีพระโสดาสกทาคาอนาคาก็ดีมันอยู่ที่ใจทั้งหมดนะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะ่ะมันอยู่ที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงไม่เหลือวิสัย ไม่ถือวิสัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาพระนั่นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองนะ เ, เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์จิตใจจะร่มเย็นเป็นสุขนะเนี่แหละการจะทำอะไรหลวงพ่อจึงแนะนำว่าให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในจิตใจของเราข้าไปเจ้าขอบขอเราคิดดีแล้วเมื่อเป็นครวาตคิดดูให้ดีแล้ว เราจะต้องบวชในพุทธศาสนาเราหวังพ้นทุกในวัฏสงสารอยู่ในโลกมันมีเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละก็มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจของเรามันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องที่จะทําให้เรามีความสุขนึกไปข้างหน้าไม่ตูกว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศราซึมแต่หลักธรรมคาสอนของพุทธะนี่ดูใจปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส อันนี้แหละเป็นทางปลอดโปร่สําหรับที่เราจะพ้นทุกในวัฏะสงสารได้ไม่มีทางอื่นใดเลยที่จะดียิ่งกว่านี้เพราะนั้นข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อหลักเหตุผลต่อหลักพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะภาวนาจะทําจิตใจให้สงบแต่ถึงยังไงข้าพเจ้าก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอยู่แล้วในการบําเพ็ญของข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้ามีแต่บาเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะมีแต่ไปบินธบาตมาฉันตามอัตภาพมีอะไรก็ฉันไปอแล้วก็บำเพ็ญภาวนาไป เ, เราก็ไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตไม่ได้รังแกใครไม่ไดเอารัดเอาเปรียบใครอมีแต่ให้ถ้ามันมีมานี่แหละเราไม่ได้เบียดเบียนใครนี่แหละชีวิตของสมณะคือชีวิตของนักบวชชีวิตของพระผู้ปฏิบัติ เป็นอย่างนั้นอย่างอื่นไม่มีนะพาลูกพารันมองดูสิสาระของชีวิตนันคืออะไรความสุขที่จิตที่แท้จริงของชีวิตนันคืออะไรให้พวกเราค้นดูศึกษาดูนะถ้าพวกเราศึกษาดูเราก็ไม่พ้นเข้ามาหาสู่จิตใจไม่พ้นที่จะยึดหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมรรคาเป็นขนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนผิพพานนะ อวันในหลวงพ่อได้พูดเรื่องเกี่ยวกับวินัยศีลและวินัยจนถึงำชำละใจให้มีสัจจะหือชำละใจให้บริสุทธิธ์ดุพนเลิศประเสริฐที่เขาเป็นนักพรตนักบวชนะต่อนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกข์ที่เนื